ทีนี้ลักษณะของท่านเนี่ยท่านมีลักษณะไม่ดีดังต่อไปนี้คือเป็นผู้เพ่งโทษในวัดและไม่ใช่วัดของภิกษุผู้เป็นอังคันตุกาดทั้งหลายคือหมายถึงภิกษุที่มาวัดท่านเนี่ยท่านเป็นคนชอบตําหนิชอบจับผิดเป็นลักษณะ<ม>เป็นอันธพาลทางความคิดไอ้นูน่นไอ้นี้ก็ไม่ถูกตาคอยติคอยว่าโดยผิดว่าเป็นถูกถูกว่าเป็นผิดอะไรจำลองอย่างเนี้มั่วไปหมด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 ชาวบ้านก็หนีหมดอยู่ไม่ได้แขกก็ไม่ค่อยมามาก็อยู่ไม่นานพวกพระที่จะอยู่ก็วัดก็อยู่ไม่ได้เลยต้องอยู่องค์งเดียวแล้วเรื่องอย่างนี้นะ่ะผมเคยเจอมาจริงๆครับประเภทพระที่ทั้งวัดมีท่านอยู่องค์เดียวเนี่ยแต่ผมไปอยู่กับท่านมาแล้วท่านมีลักษณะอย่างนี้จริงๆเป็นคนที่อะไรอะไรท่านก็ทนไม่ได้ไม่ชอบไมหมด แล้วก็ไม่พูดอะไรเดี๋ยวก็ฮึดฮัดโกรธแหละไอ้โน้ในเดี๋ยวตีหัวร่างก้างแตกท่านเป็นอย่างนั้นเลยวัดของท่านท่านอยู่องค์เดียวจริงๆผมเคยไปหาท่านทุกปีเดี๋ยวนี้ก็ยังจดหมายติดต่อกันอยู่แต่ว่าท่านเป็นคนที่มีมีพลังกิตสูงมากแต่แต่เสียตรงนี้เลย ลูกศิษย์ก็อยู่ไม่ได้อย่าว่าแต่พระใดกันนะลูกศิษย์เนี่ยท่านรู้สึกว่าลำคาญเดี๋ยวก็ไล่ส่งไปหมดญาติพี่น้องพี่น้องถ้าเจอกันนานๆทีไม่เป็นไรแต่ผมไปอยู่กับท่านได้นะไม่ได้เพราะอะไรก็อยู่ด้วยก็ไปเจอกับท่านได้แต่นี่ไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วเหมือนกั น, นเป็นคนมีบุคลิก คล้ายกับพระองค์นี้แน่นอนเลยรคว น, นี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นะอุบาสกที่อยู่ใกล้วัดคือโยมที่อยู่ใกล้วัดเนี่ย<ม>ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าคล้ายๆไปทูลปรึกษาจะเรียวกว่าฟ้องก็คงจะจะถูกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นมาจากเพราะชาตินี้หรอก คาดก่อนๆเคยเป็นมาได้เลยเล่าจาดกให้ฟังลูกก็ทำมันจาดกเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นมาอย่างเนี้ยพราะคนเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นของต่อเนื่องมาจากอดีตโดยเฉพาะประเภทเป็นอย่างแรงๆชัดๆอย่างนี้แล้วก็แน่นอนเลยครับไม่ใช่เป็นของเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> นี่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสสอนพระองค์นี้ลองดูคําสอนพอตรัสสอนเสร็จเนี่ย ปรากฏว่าพระองค์นี้นี่ท่านก็มีดีครับไอ้ส่วนที่ไม่ดีก็ว่ามาแล้วแต่พอคนรู้จักสอนรู้จักบา ร, รมีความดีความชั่วคนสอนแล้วบรรลุเป็นพระหลานหลังจากจบธรรมเทศนาเลยในี่นับว่าเก่งมากพ <c oughs> ระพุทธเจ้าท่านตรัสก็ท่านทำมิกะว่า ทำแล่ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำอันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสู่ไหมนี้เหมือนในในธรรมบทะนี่เป็นอานิสง์ในธทำอันบุคคลประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกติสภาพทั้งสองคือธรรและอาธรรมย่อมมีวิบากไม่เสมอกันอาธรรมย่อมนำไปสู่นรกธรรมย่อมนำไปสู่สุขติ เพราะฉะนั้นแหละบุคคลพึงบันเทิงเมื่อบันเทิงอยู่ด้วยการให้โอวาทที่พระตถาคตผู้คงที่กล่าวแล้วควรทำความพอใจในตามนัลหลายอ่านนิดเดียวกเป็นคำสอนเขายาวหน่อยครับเนี่ยก็ได้ฟังคำสอนอย่างนี้บรรลุเป็นพระละเราเลยไปถึงอีกองค์หนึ่งครับ องที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกชื่อว่าสัพ ป, ปะกะ <c oughs> ท่านสัพ ป, ปะกะเกิดในสกุลพรามชาเมืองสาวัตถี <c oughs> ก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันนะครับแล้วก็ได้เรื่มสายบวชแล้วก็เออรียนกรรมฐานปฏิบัติวิปัสนาทั้งบรรลุเป็นพระอราหันต์ไปโดยรวดเร็ว ไม่นานแล้วก็ <c oughs> ออกจากที่พำนักมาเฝ้าพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็ไปปรดญาติพี่น้องพวกญาติ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ก็อ้อนๆๆวอนบอกขอให้อยู่สัที่ใกล้ๆบ้านญาติกั น, กนจะได้สงเคราะห์จะได้อุดหนุนเกือ้อกูลปฏิบัติอุปถาค ก, กันท่านก็บอกว่าท่านอยู่ด้วยไม่ได้ท่านชอบความวิเวก ท่านท่านก็จะขอลาไปอยู่ในที่ที่เป็นที่วิเวกตามสะดวกใจของท่านก็เรื่องนี้พระที่ท่านจะรับนิมนต์อยู่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดหรือจะไม่อยู่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดแล้วแต่ว่าท่านจะให้น้ําหนักแก่เหตุผลข้างไหนถ้าหากว่าให้น้ำหนักแก่เหตุผลข้างที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลท่านก็อยู่ถ้าให้น้ําหนักแก่เหตุผลข้างธรรมะความรู้สึกในธรรมในตัวท่านท่านก็ไป องนี้ท่านให้เหตุผลข้างความต้องการในธรร ม, มากของท่านท่านก็ไม่อยู่เอาล่ะเลยมาถึงอีโอหนึ่งครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดจนจะสองร้อยนะฮะท่านมุทิตาองค์นี้เป็นอุตาหรอนในเรื่องของการอธิษฐานปฏิบัติที่เรียกว่าทมอธิษฐานอย่างรุนแรง แล้วก็ประสบความสำเร็จนะท่านอาธิษฐานอย่างไรเดี๋ยวลองฟังท่านดูนะครับ อ, อท่านมุติตานั้นเกิดในสกุลครหาบดีชาวเมืองโกศลนะครับก็ไม่ได้เกิดในเมืองไม่ได้เกิดในกรุงนะเขาว่าเหตุที่ทำให้ท่านออกบวชเนี่ยว่าตอนนั้นสกุลของท่านกำลังผัวพันธ์มีเรื่องมีราวกันทางพระราชายอยู่ ก็กลัวราชาภัยจึงหนีเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็ไปเจอพระหลานองค์หนึ่งในป่าพระหลานท่านก็ปลอบไม่ให้กลัวแสดงธรรมให้จิตใจสงบเชื่อมั่นในตัวเองก็ในที่สุดก็อยู่กับพระหลานอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนและในสื่ก็บวชก็ไม่ได้บวชทันที ที่บวชเนี่ยก็เพราะเห็นว่าไอจะกลับไปก็ยังไม่รู้กลับไปอาจจะตายก็ได้ก็เลยบวชบวชเพื่อจะรักษาชีวิตเรียกเขาเรียกว่าบวชหนีตายหนีหนีราชภัยไม่ได้ไม่ได้เล่า ร, รายละเอียดว่าเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกับพระเจ้าบุนดินถึงทำให้เกิดราชภัยเพราะสมัยก่อนเนี่ย จะผิดใจกับพระราชาหน้ากลัวมากอาจจะ่โดยมากก็ฆ่ากันทั้งครอบครัวใครหนีได้ก็หนีไปทีนี้เมื่อบวชหนีตายพอบวชแล้วเนี่ยถึงมาได้ศรัทธาที่หลังจึงมาคลุกคลีกับพระอรหันต์เข้าได้รับธรรมะเข้าหนักเข้าศรัทธาก็เกิดขึ้นเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นก็ปฏิบัติธรรมะได้ ชุ่มช่ำใจก็จเจริญในธรรมขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติอย่างรุนแรงแต่ยังไม่ได้บรรลุนะจุดที่ท่านจะบรรลุเนี่ยท่านอาธิษฐานท่านใช้วิธีอธิษฐานคือเมื่ออยู่ในกุติปฏิบัติธรรมแล้วมันก็เกิดอุปสรรคจากกิเลสอย่างนู้นอย่างนี้ท่านจึงอธิษฐานว่า ถ้ายังไม่บรรลุทำตราบใดข้าพเจ้าจะไม่ออกจากกุฏิเลยนี่อธิษฐานอย่างนี้น่ากลัวมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่บรรลุก็คงจะท่านแหละตายอยู่ในกุฏิแต่ว่าท่านเองท่านอธิษฐาน ในลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับวาสนาบารมีคงเห็นละแค่ละคายว่าพอจะบรรลุได้หรือมั้งอธิษฐานแล้วก็มุมานะธรรมว่าเระาวาังชีวิตเรากับกิเลส ต, ต้องตายไปครั้งหนึ่งในที่สุดก็บรรลุธรรมกิเลส ต, ตายไปจากสันดานบรรลุเป็นพระอันจึงออกจากกุติได้เอพระที่อธิษฐานอยู่แต่ในกุติโดยไม่ยอมออกในเรายังไม่เคยเจอในสมัยนี้ว่า จะเอาไปถึงทั้งเป็นถึงตายเจอแต่ว่าอธิษฐานอยู่ในกุฏิแล้วไม่ยอมออกเลยจนกว่าจะบรรลุทําอะไรสักอย่างนะก็ว่ากันเป็นอ า, าหารแล้วก็ไม่รู้แน่หรอกเพียงแต่ว่าจะออกจากกุฏิเฉพาะมารับพัฒตาหารเท่านั้นพอรับพัตนาฐานฉันเสร็จแล้วจะต้องเข้ากุฏิทันทีไม่ไปที่อื่นไม่ทําอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้ พระองค์นี้ก็คือเป็นพระพมา่าวัดท่านอยู่แถวมณระเลยเป็นภูเขาทั้งลูกเลยกุฏิท่านก็นยังอยู่หนังสือนังหาแล้วท่านก็มีเยอะมากเป็นเล่มเล็กๆไม่ใช่เล่มใหญ่ท่านไม่ใช่เป็นพระนักวิชาการเป็นพระนักปฏิบัติแล้วก็ทำอย่างนี้จนกระทั่งได้บรรลุธรรม เออ่ก็ว่ากันว่าท่านเป็นพระอาจารย์เราไม่จาบนะฮะแต่ว่าการที่ท่านออกมาเนี่ยก็ออกมาเผยแผ่วิพิธนากรรมฐานจะได้ผลเป็นเป็นอาจารย์ของอาจารย์อุบากินท่านท่านเวผูส ย, ยดอชื่อท่านนะเวผูส ย, ยดอเอนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้อธิษฐานเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติ ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดองค์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดชื่อว่าท่านราชทัตต์พระองค์นี้เป็นตัวอย่างของการขอลูกจากเทวดาเราพูดถึงพระมาเยอะแล้วยังไม่เจอตัวอย่างอย่างนี้เอาก็มีอยู่บ้างท่านท่านอ่า อะไรล่ะม่ใช่ท่านมาท่านะละท่านมหาการกับท่านจุลการนั่นขอมาจากเทวดามกับลูกก็เทวดาแต่องค์นี้นะพ่อแม่ขอมาจากทาเทวสวรรค์มหาราชคือว่าพ่อแม่ท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าพ่อค้าเขวยนก็ อ, อยู่มานานไม่มีลูก ก็ไปขอกับท้าวเวสสวรรค์มหาราชก็เลยได้มาถึงตั้งชื่อลูกว่าราชทัตตะแปลว่าผู้ที่มหาราชคือเทวราชให้แล้วส่งมาเกิดมาเป็นลูกก็จนกระทั่งโตดำเนินกิจการของพ่อของแม่ก็คูมเพียงค้าขายมาที่เมืองราชคอึะจากสาวัตถีมาราชคลึ คือคณะค้าขายเนี่ยเขาจะมีเป็นเส้นบางพวกก็จากราชคลึกกับพระนสีบางพวกก็ราชคลึกกับออปรันตะบางพวกก็ราชคลึกับสาวัถีเนี่ยทีนี้พอทำธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยแกเกิดมัวเมาในทางเพศมัวเมาในทางเพศสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีะนะ ไอ้ไอสำหรับไอ้แหล่งท่องเที่ยวหญิงโสเภณีมีก็เลยเอากำไรที่ได้จากการทำธุรกิจเนี่ยไปปลนเปลยหญิงงามเมืองกำไรหดทุนหายเห็นจะต้องบอกว่าขายอุปกรณ์ทำมาหากินตกยากอยู่ที่เมืองลเลยจเจ็์เพือก็เลยดีเหมือนกันนะครับว่าเพราะความ ลำบากยากเข็นตกยากตกอับเนี่ยทําให้ได้มากลายเป็นพระลานในที่สุดวันหนึ่งเกิดไปที่พระเวฬวนตามพวกคณะอุบาสกเข้าไปเข้าไปฟังธรรมก็ตัวเองไม่มีอะไรจะทําก็ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมมีวิสุทั้งหลายแวดล้อมอยู่ก็ไปยืนฟังธรรมะในท้ายบริษัทตามภาษาคนที่ไม่ได้ไปด้วยศรัทธาเต็มที่ แต่ที่ไหนได้พอฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสปุทิเจ้าแสดงธรรมจบไปขอบทพทธเจ้าก็ประทานการบทให้เปีอย่างธรรมดาไม่ใช่เอบทแล้วท่านก็ถือธุดงข้อหนึ่งคือโสสาสนิ ก, กังคะแปลว่าอยู่ปาชาเป็นวัดอันนี้ในบทสอนพทธเจ้าเนี่ยท่านจับได้ว่าท่านเองถ้าเป็นคนมวัวเมาในทางเพศท่านจะต้อง อยู่ป่าชา้าการอยู่ป่าช้าเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นความสะดวกแก่การเพ่งอสุภะพระที่อยู่ป่าช้าเนี่ยมีโอกาสเพ่งอสุภะได้ดีกว่าอยู่ที่อื่นมากก็เลยไปอยู่ที่ป่าชา้าเพ่งอสุภะนการไปอยู่ป่าช้าเนี่ยบางทีท่านก็พระเพรเช้าไปเย็นกลับนะกางวันเวลาไปปฏิบัติตามก็ไปป่าชา้า ขากลับก็กลับมาพักในวัดก็โดยมากทำอย่างนี้กันเยอะไม่ใช่ประเภทไปเอากรดไปปักอยู่กันเป็นถาวรอย่างที่เราเห็นกันในสมัยปัจจุบันนี่แหะครับโดยมากทำอย่างนี้แต่องค์นี้ท่านทำอย่างนี้คราวนี้วันหนึ่งเกิดไปเห็นศพหญิงมาลู้ที่หลังเป็นศพหญิงแพร่สยาม แล้วก็มารู้ทีหลังว่าเป็นคนเดียวกันกับหญิงแพทย์สยามที่ตัวเองเคยเที่ยวมาก่อนเวลานี้มานอนตายอยู่ในปา่าช้าศพยังสดอยู่เลยพอไปเห็นเข้าเกิดมานศสิการไม่แยบคายท่นพลนาว่าอารมณ์เก่าๆมันฟุ้งขึ้นมาราคะก็ครอบงำจิต แต่เป็นไปชั่วระยะหนึ่งไม่ใช่ว่ า, าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวนะท่านสามารถที่จะแก้ไขได้มันีการต่อสู้ไปต่อสู้มาก็สามารถเอาชนะราคาได้แล้วก็ไม่ใช่แค่เอาชนะราคาได้ท่านยังสามารถบรรลุฌานด้วยอาสุภกรรมฐานได้ปฐมฌานแล้วก็ใช้ปฐมฌานนั้นเป็นบาตร ในที่นั้นต่อวิปัสสนากรรมฐานบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในที่นั้นเองนี่คือบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในปา่าช้าต่อหน้าศพหญิงโสเพณีซึ่งก็หมายความว่าเจ้าของศพเนี่ยเมื่อก่อนเคยทำลายมาแล้วคืยทำลายตัวเองทางโภคทรัพย์แต่เดี๋ยวนี้เมื่อเธอตายเธอก็ได้มาใช้นี่คล้ายว่าเอาร่างกายมาใช้นี่ มาเป็นอุปกรณ์ให้ตัวเองได้เป็นพระอระหันในตอนนี้ที่บรรลุเป็นพระอระหันไปทีนี้มาลูกกันที่หลังว่าหญิงคนนี้ตายเพราะอะไรหญิงโซเป น, นีเนี่ยนะที่ตายนะก็เพราะว่ามีไอ้พวกอ่า พวกหนุ่มๆพวกลูกพ่อค้าคนอื่นมันก็มาเที่ยวมาอะไรแล้วก็หญิงโสพิณีคนนี้เกิดไปขมโมยของค่ะของมีค่าโดนเขาจับได้ก็ เ, เลยฆ่าซะตายแล้วก็เอามาทิ้งป่าชาเราก็ก็แอบๆคิดเอาไว้ว่าใครที่เขาเคยทำอะไรเราเมื่อตอนยังเป็นตอนตายอาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้ มันเป็นไปได้เราไม่ต้องไปเรียกร้องนะชดใช้กรรมกันตายเป็นศพแล้วยังต้องมานั่งใช้หนี้ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าชื่อท่านสุภูติสุภูตะองค์นี้มีลักษณะพิเศษคือมีกายหอมหอมมากนะหอมผิดปกติไม่ใช่หอมอย่างเอาน้ำหอมมาฉีดมาทาเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้หอมตามธรรมชาติเลยคันทะลุ ในสรีละนั้นเกิดแต่กรรมพิเศษถามว่าไปทำกรรมอะไรไว้แบบเดียวกับบางลายที่กายเหม็นปากเหม็นก็มีกรรมที่ได้ไปทำไว้กรณี น, นี้ได้ทำกรรมอะไรไว้เดี๋ยวค่อยฟังกันว่าท่านสุภูตินี่ท่านเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกกัลราบดีชาวเมืองมคตเป็นคนที่มีร่างกายหอมตลบ ใช้กลิหอมตลกซนะแน่คือหอมรุนแรงก็แล้วกันเพราะว่าในสมัยพุทธเจ้าองค์ที่แล้วเนี่ยเกิดก็เกิดเป็นข้าบริมาสารชาวเมืองพารพาณสีมันก็เป็นเมืองเป็นเมืองของสวยของหอมอยู่แล้วได้ฟังธรรมจากพระพุทธกาศปาตอนนั้นฮนะได้ความเรื่อมใสแล้วก็ <c oughs> ได้ทาบุญชนิดหนึ่ง เป็นพิเศษคือทําบุญด้วยของหอมนี่คืออย่างไรของหอมที่ว่านี่คื อ, เ, อเช็ดทาพระคันตกุดีของพระพุทธเจ้าด้วยของหอมสารพัดอย่างเลยเพวกสมุติอย่างแก่นจันกิสนากรัรมยานเนี่ย ก็จะมีวิธีเช็ดยังไงไม่รู้นะเอามาอาจจะมาชุบผ้าแล้วก็เช็ดไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะว่าเดือนละแปดครั้งทาเดือนละแปดครั้งก็เฉลี่ยแล้วอาทิตย์ละสองครั้งที่จริงนะ่คือการทำความสะอาดอย่างพิเศษเลยนะฮะ กุฏิพระพุทธเจ้าก็เลยหอมตลบมันกุฏิพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเรียกกันว่าพระคันทกุฏีที่เรียกว่าพระคันทกุฏีเนี่ยก็พูดกันเป็นหลายแบบในทางศาส น, นานก็ว่าอาที่หน้าพระคันตูฏีเวลาโ ย, ยมหรือคนสมัยนั้นผ่านมาพระเจ้าอยู่ในกุฏิหรือไม่อยู่ก็แล้วแต่ก็จะเอาดอกไม้มากราบกราบไม่เจอตัวกราบกุฏิถวายกุฏิก็วางร้องกันจนกระทั่งหอม อ, อีกอันหนึ่งก็ เกิดจากการที่บางคนเอาของหอมมาลมมาเช็ดอย่างนี้ถือเป็นบุญอย่างประเสริฐยอดเยี่ยมเป็นความสุขกับคนทํามากอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเกิดแต่กลิ่นของพระพุทธเจ้ากลิ่นพระพุทธเจ้าที่หอมหวนตลบอบอวลอยู่ในนั้นก็รู้สึกว่าอย่างอย่างสองอย่างแรกจะฟังได้ได้น่าเชื่อกว่าสองอย่างอย่างอย่างสุดท้ายนะ ไอ้จริงๆที่เป็นยังไงเราไม่ทราบอย่างหลังเนี่ยกุฏิของพระเจ้าเลยเป็นกุฏิหอมคันถ้ากุฏิหอมจริงๆหอมนังจมูกไม่ใช่หอมหอมศิล์นนะไอ้ของเราก็หอมเหมือนล่ะเราหอมประเภทมีอะไรเอามาใส่ใส่ไว้เชียนว่าสมมติว่าเปิดตู้หนังสือผมผมันก็มีของหอมใส่เปิดมาเนี่หอมชื่นใจผมไม่ได้มุ่งจ ะ, สะแสวงบุญอะไรหรอก เลยเรียกขันตะกุดีนี่เป็นเรื่องหน้าแปลกมากที่ไหนเท่าไหนก็เรียกคันตะกุดีเรียกเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นแต่เพียงชื่ออันนี้เป็นบุญที่ท่านทําเอาไว้แบบต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งเดียวและทํากับพระพุทธเจ้าด้วยก็หน้าแล้วครับแล้วก็บุญนี้ก็จริงๆก็เพิ่งสดๆร้อนๆเมื่ออันตรกรับที่แล้วเท่านั้นเอง ทมัยพุทธิาองค์กรเลยทำให้เป็นผู้มีกายหอมเนี่ยเป็นวิบากพิเศษของคนที่ได้ทำกันไว้ต่างๆกันเมื่อท่านจเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยก็เป็นคนที่มีอัจยาสายทางเนกขมมะคือใจฝากไฟไปในทางบวชในนี้ตอนนั้นไม่ได้พบพระพุทธศาสนาก็ไปบวชเป็นเดรถีก่อน คือเป็นพวกนักบวชภายนอกพุทธศาสนาและตอนหลังก็รู้สึกว่าไม่ได้สาระไม่สามารถจะสนองสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อันนี้เป็นความเรียกร้องของอุปนิสัยของภูมิยาของบา ร, รมีของท่านที่รู้สึกอย่างนั้นต่อมาก็มาได้ข่าวว่าบุคคลสำคัญสำคั ญ, คญหลายคนในเมืองมคคเนี่ยพากันไปบวชเป็นสาวกของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าคือท่านอุปติสาท่านโกริตตะ ท่านเสละที่เป็นบุคคลที่ยอมรับคนรุ่นเดียวกันก็นึกว่าแสดงว่าคนเหล่านี้ได้ละละทัทธิเดิมไปบวชกับพระพุทธเจ้าน่าจะมีอะไรดีก็จึงได้ไปแสวงหาในที่สุดก็ได้ความเริ่อมใสใหม่แล้วก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ในที่วิเวกไม่นานได้บรรลุปเป็นพระราหานะ ก็เลยได้ความหอมในทางศีลเข้ามาเป็นความหอมที่ทวนลมนะพระกายหอมในสมัยนี้มันมีเคยเคยพูดถึงแล้วนะพูดอีกทีที่พมา่าแต่ผมยังไม่ได้ไปเจอมากตัวทาวันใดวันหนึ่งไปอีกจะไปลองดมๆหนนะหลังทำท่าเดินผ่านๆนะดูที่จะหอมไหมถ้าไปครั้งแรกของม่จะไปเวลาอื่นดูบ้างจะหอมไหม อก็เห็นว่าท่านฉันแต่ผ ล, ลไม้เลยทําให้กายหอมแต่ก็พวกอื่นที่ก็ฉันพืชผักผลไม้ก็ไม่เห็นกายหอมก็มีนะก็เลยกายของท่านนะ่ะกลิ่นหอมคล้ายๆก ล, ล, ลิ่นแอปเปลิลก็ว่างั้นนะกลิ่นแอปเปลิลหอมเย็นๆละลื่นละลื่นต่อไปครับองค์ที่หนึ่งสองรอยแล้วทีนี้ องค์ที่สองร้อยเพเห็นชื่อนี่เราเกือบจะคุ้นหูมานานเลยบางคนก็อาจจะเคยอ่านเพราะสูตรหนึ่งที่เขาเคยแจกกันในที่ต่างๆผมไปเชียงใหม่มาเมื่อทั้งยี่สิบปีผมยังเคยได้รับแจกจาก อ, อ, อาจารย์คณะแพทย์ที่นั่นเล่มหนึ่งชื่อคีรีคีรีมาุนตสูตรเป็นหนังสือ ประมาณสักแปดสิบหน้าหรือร้อยหน้าเนี่ยนะฮะเป็นหนังสือของทางเหนือครับแล้วก็เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านมาเขียนคํานําแนะนําไว้ในนั้นก็เป็นสรุปความก็เป็นบทอธิบายคิรีมานนทสูตรของเกเจีอาจารย์ที่เอาคิรีมาโ น, นทสูตรในพระไตรปิฎกมาปฏิบาย นะในพระไตรปิฎกก็มีพระสูตรนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อ60เนียชืคิริมานนทสูตรซึ่งในสูตรนั้นน่ะเป็นสูตรที่ท่านคิริมากำลังป่วยป่วยอยู่ที่เทตวันและพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะฝากพระอนนท์ให้ไปเยี่ยมแสดงสัญญาสิ็ แสดงให้ท่านอนนานุ์ฟังวะเนี่ยไปเทศในท่านคิรีมาโนนฟังท่านอานุน์ก็เอาไปแสดงให้ฟังพอแสดงสัญญาสิบจบท่านคิรีมานนทิกสุหายจากไข่อาถามว่าตอนป่วยนี่ท่านคิรีมานนเป็นพระล้านแล้วยังตอบว่าเป็ดแล้วเป็นพระล้านแล้ ว, ลวก็ป่วยเอาไปนานและป่วยได้มกท่านหมกาลานะท่าน มากกัสปาก็เคยป่วยพู้เเจ้าก็เคยป่วยแล้วก็วิธีการที่จะทําให้หายป่วยบางทีก็สวดโพชงสวดสูตร น, นั่นสุดเียก็หายป่วยได้สแสดงสัญญาสิบือกับสัญญาสิบี่โดยสรุปแล้วก็คือเ อ, อคําสอนที่กล่าวถึงความเป็นอนัตตาสรุปคืออนัตตาหรืออานิจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานามลูกของทุกคนเป็นอย่างนั้นท่านก็พูดถึงความจริงอย่างนี้ ท่านคิรีมาโนนฟังก็เจริญกรรมฐานตามความรู้สึกของท่านขณะนั้นก็ผ่องใสเมื่อจิตพองใสโลหิตก็บริสุทธิ์ก็หายจากอาการป่วยไข้เป็นเปรดติ้งเลยเมื่อธรรมเทศนาจบท่านคิรีมาโนนเนี่ยเป็นใครที่ไหนท่านเกิดมาเป็นลูกของปุโรหิตของพระเจ้าพิมพิสาร<ม>ก็แน่นอนแล้วก็ บ, บ้านนั้นอยู่ในกรุงรลเจกลืแน่ และที่มาบวชเนี่ยก็ตอนที่พระเจ้าเสด็จไปในกรุงแรัชชื้อเป็นครั้งแรกนั่นเองท่านไปเห็นข้าวท่านก็เลื่อมใสในสุดก็ออกบวชเอออกบวชก็ประพฤติสมณธรรมอยู่ที่หมู่บ้านสองสาวันนะ่ะแล้วก็ได้ไปฟ้าบริสุทธเจ้าเป็นคราวๆนะการไปฟ้าบริสุทธิาวๆนะั้นเป็นการเพิ่มกรรมฐานชาระกรรมฐานให้ ศาตรบริสุทธิ์ขึ้นตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนที่ท่านมาในเมืองราชเคือเพื่อมาฟ้าวพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าพิมวิสารก็รู้รู้ก็อาราธนาให้ท่านอยู่แล้วก็สร้างกุฏิถวายซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนตกพอดีอากาศสบายะท่านก็สามารถบาเพ็ญความเพียรได้อย่างเสมอไม่ชะงักงนันเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่า ในช่วงพรรษาแรกเหมือนกันดีไม่ดีจะไม่ไม่เกินเดือนได้ครนะับที่วารูเป็นพระหลานองค์นี้ไม่ได้เป็นเอตทัคคาอะไรอ่ะกันนี้มาดูองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นองค์ที่สองร้อยหนึ่งองนี้มีชื่อว่าสุมนะท่านสุมนะเป็นชาวแควนโกสนเกิดในสกุลกลาบอดี ชีวิตเบื้องต้นนั้นมีความสุขมากก็เกิดเป็นลูกครืบดีนี่ก็สุขแล้วแต่บางคนก็ไม่ได้สุขอย่างนี้นะครับแต่นี้เขาก็มีความสุขทีน้ท่านมีลุงอยู่อยู่คนหนึ่งเพิ่งไปบวชเป็นพระแล้วนะ่ะแล้วก็อยู่ในป่าไม่ไกลจากบ้านของท่านนักแล้วก็ลุงนั้นเป็นพระหลานด้วยก็ไปหาลุง ตามธรรมดาของคนที่มีญาติเป็นพระก็เข้าวัดบ่อยในที่สุดก็เลยลุงชวนให้บวชไปบวชอยู่กับลุงลุงก็ให้กรรมาฐานท่านบอกว่าในขณะที่ลุงบวชให้แล้วก็บอกกรรมาฐานบอกกรรมาฐานก็คือตจับปัญญกรรมาฐานเนี่ยในขณะนั้นแหละได้ฌาน แล้วก็ได้โลกิยะอภิญญาโดยลําดับทันทีเลยและหลังจากนั้นหลวงลุงจึงบอกหลักวิปัสสนากรรมฐานแกเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นพระอรหันในการต่อมานะครับว่าเป็นคนที่มีบา ร, รมีมากองค์หนึ่งทีเดียวแต่ไม่ได้เป็นเอตตะคะหรอกครับเวลาบรรลุเป็นพระอรหันแล้วก็ กอันหนึ่งที่ท่านทามากก็คืออุปถักหลวงลุงอ่ะเป็นทั้งลุงเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งอุปชาอยู่ในตัวเสร็จนั้นเวลาใครมาคุยกับท่านมาถามถึงประวัติการบรรลุธรรมท่านท่านจะก็พรลจพลานาบุญคุณของลุงในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรให้ใครต่อใครฟังเราเลยไปถึงอีกองคหนึ่งครับอันนี้เป็นองค์ที่สองร้อยสองละ ชื่อว่าวัฏทะท่านวัฏทะเป็นพระองค์หนึ่งที่เมื่อบวชแล้วทรงความรู้ในทางปริยัติและสามารถแสดงธรรมได้เก่งจนกระทั่งกลายเป็นโทษทาลายตัวท่านเองที่ว่าเป็นโทษทำลายตัวท่านเองนั้นก็คือความเก่งของท่านความเป็นผู้สูงของท่านทำให้ท่านเกิดมานะอย่างแรงแต่เคราะห์ดีที่ท่านได้แม่ ซึ่งมาบวชก่อนหน้าสั้นแล้วก็ได้เป็นพระหลานสงเคราะห์ดูแลจึงได้บรรลุเป็นพระหลานได้ท่านวัดท่านเนี่ยเกิดในสกุลครหาบดีชาวพาราขุนชัยนครนะเมื่อโตเอ่อเป็นหนุ่มหน่อยก็แม่เกิดเบื่อเพศฆราวาสหนีไปบวชซะก่อนก็ไม่ใช่หนีอะลาไปบวชไปบวชเป็นภิกษุณีทำวิปัสสนาจึงั้งได้บรรลุเป็นพระหลานพอลูกโตขึ้นมาได้สักหน่อยก็ ไปไปวัดไปคบกับพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าพระเวรุทัตตะก็เรียนพุทธพจน์ฟังพุทธพจน์รวกระทั่งได้ไปบวชแล้วก็กลายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกันดธตุร ะ, ะแสดงธรรมะเป็นธรรมกัตถึกได้ดีด้วยแล้วก็ไปไหนมาไหนก็เลยค่อนข้างจะเขื่องในคุณสมบัติอันนี้ของตัวเองเป็นอันมาก กรนี้มีอยู่วันหนึ่งท่านเข้าไปเยี่ยมพระแม่เวลาเข้าไปหาแม่ก็พกกิเลสเข้าไปด้วยนะว่าเราเนี่เป็นผู้คือไม่รู้่แม่เป็นพระลาล์พอเข้าไปถึงหน้าแม่แม่ก็ท้วงเอาเพราะว่าแม่เนี่เป็นพระอาหันรู้ความคิดของลูกก็บอกว่าลูกคือคล้ายๆว่า ลูกนะสำคัญว่าตัวเองนะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการบวชนะมันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะก็เลยสะกิดความคิดที่ถูกที่ควรให้ปรากฏขึ้นก็เกิดความสะดุ้งสะเทือนว่าเอ๊ะแม่ทำไมรู้ความคิดเราคล้ายๆว่าแม่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่น่าจะทรงความรู้อะไรแต่ทำไมถึงหลักแหลมลึกซึ้งเหลือเกินพอได้ฟังแล้วก็เลยกระเทือนใจเลยมัมุมานะในทางปฏิบัติ ในที่สุดก็ได้บรรลุทำในที่พักกลางวันของตัวเองเป็นพระหลันไปเลยครับนั้นท่านจึงได้กล่าวชื่นชมแม่ของท่านว่าโยมมารดาของเราดีแท้เพราะได้แนะนำเราให้รู้สึกตัวเหมือนบุคคลแทงพาหนะโดยปฏิปะ้วยปะตะฉะนั้นเราได้ฟังคำของของโยมมารดาที่พร่ะสอนเราความจริงไม่ใช่โยมแล้วนะไม่รู้จะเรียกว่างไง ภาษาไทยก็ปแปลวโยมไม่รู้ใครเป็นโยมอะไรแต่ท่านก็เป็นโยมลูกโยมลูกของขอ ง, ของหลวงแม่โยมมารดาได้ทั่มสอนแล้วได้ปลาลกความเปลี่ยนมีจิตตั้งมั่นได้บรรลุโพธิญาณอย่างสูงสุดเราเป็นพระอาหารหันต์กวรแกทักษินามีวิชาสามได้เห็นอมตอะธรรมก็อ่านอ่านแค่นี้นี่เป็นอีกองค์หนึ่งครับ ต่อไปอีกองค์หนึ่งสองร้อยสามองนี้เห็นชื่อปั๊บรู้เลยท่านนาทีกัสปะแล้วก็องค์ที่สองร้อยสี่อีกองหนึ่งคือท่านขยากัสปะสององต่อกันนี้เป็นพี่น้องกันที่ใหญ่คือท่านอุลุเวละกัสปะอง์รองคือท่านนาทีกัสปะ องเล็กคือขยากัตปะอ่นี่เกือบจะไม่ต้องไปเล่ารายละเอียดนะเพียงแต่สรุปว่าท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ชาวเมืองมรคตก็ทั้งสองนี้ก็เป็นน้องชายท่านอุรุเวลานะครับแล้วก็ตั้งอาสมก็อยู่คนละที่คนละที่ใครที่ไปอินเดียก็แทบจะหลับตานึกถึงภาพออกได้แล้วก็การบรรลุ เป็นพระทหารบรรลุในคราวเดียวกันเกือบจะเรียกว่าบรรลุพร้อมๆกันนะครับท่านไม่ได้พูดเอาว่าใครก่อนกว่ากันกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราก็ตีเท่บพร้อมกันก็โดยสรุปว่าเมื่อพระผู้มีพภาคทรงทรมานอุรุเวลาด้วยการแสดงฤทธิ์จนกระทั่งทั้งทัานอูรุทั้งลูกศิษย์ห้าร้อยยอมเลื่อมใสลอยบริขารบวชเป็นพระใน พระพุทธศาสนาด้วยเอหิพิคุทั้งที่ยังเป็นบุตรชนอยู่แล้วก็นาทีกระสปะก็ลุกขึ้นไปจากโขโค้งของแม่น้ำขึ้นไปหาว่าเกิดอะไรกับพี่ก็เมื่อเห็นพี่บวชก็เริ่มสายทันทีก็บวชตามไปด้วยแล้วก็ลอยบริขารมาถึงที่ขยาศีสะที่น้องชายอยู่น้องชายก็เล็กก็ขึ้นไปดูก็เริ่อมสายบวชกันอีก รวมกันแล้วก็พันกับสามคนอ่านตัวเลขแล้วก็พากันมาที่ขยาศิสามประเทศพระพุทธเจ้าแสดงอัติตรปริญายสูรและบรรลุเป็นพระอรหันกันหมดเลยนี่ก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยบวชเอหีพิกขุ ก, ก่อนแล้วบรรลุอลหรหันต์ที่หลังบางองค์นะ่ะ บ, บรรลุอลหรหันต์ก่อนแล้วบวชที่หลังมีได้ทั้งสองอย่าง ท่านเหล่านี้เมื่อดูไปถึงประวัติในครั้งอดีตแล้วปรากฏว่าสั่งสมเนคคัมมะบารมีกันมาแล้วทั้งนั้นครับท่านถึงมีนิสัยโน้มเอียงไปในทางการบวชเลยเลยทั้งสองท่านนี้ไปไปถึงอีกองค์หนึ่งครับองค์ที่สองร้อยห้าองนี้ชื่อติถูมานานท่านวักัลิท่านวั ก, กลักกลินี้เป็นเอตถากา ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในท้านศรัทธาบรรลุด้วยศรัทธานะท่านวัคกะลินั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตีความรู้ในตอนเป็นกระาว اة านี่ความรู้ดีแต่เป็นคนที่เมื่อได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสด้วยอำนาจของตัณหาเปมาคือมีตัณหาระคนเจืออยู่ก็จึงคิดว่าเราไม่ควรจะอยู่คลองเรือนเพราะการอยู่คลองเรือนนั้นไม่อาจจะเห็นพระพุทธเจ้าได้เป็นนิด ถ้าบวชเสร็แล้วจะได้เห็นพุทธเ้าเป็นนิดนี่ก็อย่างที่เรารู้กันมาผ ม, มคือก็เลยบวชเพราะเหตุนี้บวชเพื่อจะดูพระพุทธเจ้าคนก็ต่างๆกันไปนะครับเรายังนึกไม่ออกว่ามีใครบ้าง อ, อที่มีเนี่ยเราก็ไม่รู้คิดมาแต่เดิมหรือเปล่าคือบวชเพื่อจะจองลังทําลายพุทธเจ้าอย่างว่าเทวทัศตเนี่ยนะจะเพิ่งมามีหรือว่ามีมาก่อนอาจจะมีมาก่อนอยู่บ้างก็ได้ แล้วไม่ปรากฏชัดเจนมาปรากฏชัดเจนเอาตอนบวชมาแล้วก็ทั้งสองท่านนี่ก็เรียกว่าเป็นกิเลสคนละตัวทัว้งคู่แหละขณะนี้เมื่อบวชแล้วเนี่ยท่านพรรณานาว่าวัคกัลิไม่ห่างพระผู้เมียระภาคเลยเว้นเวลาฉันเวลาทํากิจส่วนตัวตอนนั้นนอกนั้นจะมายืนอยู่ในที่ไกลในที่เฝ้า พุทธเจ้าแสดงธรรมก็มายืนดูพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมก็มาเดินรอว่าเมื่อไหร่จะออกจากที่เล่นเมื่อไหร่จะออกจา ก, กุฏิเงี้นะเพื่อจะดูเป็นความสุขอย่างยิ่งของท่านภรวักลิพระพุทธเจ้าเนาะก็รู้ก็รกอเวลานานจนกระทั่งเห็นญาณแก่กล้าจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็ตรัสก็มีพระสูตรยืดยาวนะไล่จะมาจะประโยชน์อะไรด้วยการดูร่างกายอันเปื่อยเน่า ก็ว่าทรงดำหลีว่าจะทําให้วัคคะลีบรรลุทําได้ต้องทําให้สลดซะก่อนไม่อย่งนั้นแล้วไม่มีทางจะบรรลุธรรมได้ตัญหาจะปกบ้งหมดพอสลัสอย่างนี้วันนั้นเป็นวันเข้าพรรษาพอดีที่ไล่ให้หลีกไปท่านวัคคะลีก็คิดว่าเออถ้าไล่เสรแล้วเราจะการบวชของเราก็ไม่มีประโยชน์ พอเราบวชมาเพื่อจะดูและนี่ท่านไม่ให้มาเห็นหน้าท่านแล้วจะจะจ ะ, จะบวดให้ไม่ได้ประโยชน์เลยขึ้นมาแต่ท่านก็ไม่ได้คิดสึกท่านคิดว่าสึกก็ไม่ไม่ได้คิดสึกก็คิดว่าเราควรจะไปฆ่าตัวตายซะดีกว่าก็เลยขึ้นไปบนชงง้งอนเขานะที่บอกว่าขึ้นไปสู่ที่เหว คือภาพของเหวเวลาเราดูรายละเอียดเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเราเห็นตามภาพที่เขาเขียนว่าต้องขึ้นไปบนยอดเก่ารีบๆเนี่ยนะไม่ยังงั้นหรอท่านขึ้นไปอยู่บนบนไอ้หินดาบที่ใดที่หนึ่งที่ตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นเหวเหวอยู่แล้วแล้วจะกระโดดลงไปได้อีกก็ไปเตรียมการเพื่อจะไปโดดเหวฆ่าตัวตาย สมัยนี้ก็ต้องเมายามฮ้าแน่ๆเดือดร้ อ, อนเก้าหนึ่งเก้าอย่ทรงดำหลิวว่าถ้าเราไม่ไปแก้ไขก็จะตายเปล่าแล้วไม่บรรลุมรรคผลอะไรก็จึงได้เสด็จไปนี่ก็อยู่ในอุบายตั้งแต่ต้นแล้วนี่การไปเนี่ยทรงฉายลัสมีไปไม่ได้ไปด้วยพระองค์เองนะแล้วก็กล่าวว่ากล่าวช ม, มนะฮะ ว่าผู้ใดมากได้ปลาโมดเลื่อมใสในพ <c oughs> ระพุทธศาสนาพึงบรรลุธรรมสงบได้ก็ตรัสปลอบใจชมเชยในความดีคือศรัทธาท่านวักคะลิก็เกิดแล้วก็ในนั้นบอกว่าเหยียดประหัดไปด้วยเหยียดประหัดเหมือนเดยไปไปจูงมือไปรับตัวมาท่านวกักคะลิเห็นอย่างนั้นก็เกิดความหวังขึ้นมา ว่าพระผู้มีพภาคไม่ได้ทรงทิ้งเราศรัทธาเกิดขึ้นแต่ว่าการเกิดความรู้สึกขึ้นใหม่ในครั้งนี้เป็นการเกิดขึ้นใหม่ในลักษณะเกียมเนื้อเกมตัวนะเหมือนคนที่อได้รับการปลอบใจหลังจากที่ทะเลาะกันมาแล้วเนี่ยครับความรู้สึกมันไม่ใช่อย่างเก่าทีเดียวยังมีความสัมรวมควบคุมตัวเองอยู่ในระหว่างความรู้สึกที่ดีอันเกิดขึ้นในตอนใหม่นี้ก็ ตอนนั้นท่านบอกว่าเกิดปีติถึงขนาดตัวลอยขึ้นมาสู่ที่เฉพาะพระพักโดยไม่รู้ตัวเป็นโออะไรนะอ่าปีติลอยตัวที่เราเคยได้ยนนะปีติถึงขนาดตัวลอยลอยเลื่อนไม่ใช่ลอยอยู่กับที่ลอยเลื่อนไปยังจุดที่ปีติจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์อยู่ตรงไหนก็ทําให้กายลอยเลื่อนไปทางนั้นเออ มันเรื่องนี้เป็นเป็นจริงได้แม้ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อลอยไปอยู่ถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสบอกให้ข่มปีติตัดบอกให้ข่มปีติก่อนเพราะว่าเวลานี้ปีติเป็นของดีแต่ว่าแรงเกินไปแล้วก็ทรงแสดงธรรมเป็นเรื่องของการวิปัสสนาเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิทัมพิทาในที่นั้นเองนี่ก็เป็น ประวัติของท่านพระวักกะลีต่อไปครับองค์ที่สนะองร้อยสองร้อยหกนะสองอยหกองที่สองร้อยหกชื่อว่าวิชิตเสนองค์นี้เกิดในสกุลหัตถาจารย์หัตถาจาร์ในแปลว่าอาจารย์ฝึกช้างเป็นพวก เขาเรียกว่าอะไรพวกอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีะนะสมัยบ้านเราเมืองเราก็มีพวกที่อยู่ในกลุ่มอาชีพนี้ก็มีความรู้เรื่องช้างดีทีนี้ว่ามีหัตถอาจารสองคนที่เป็นลุงของท่านเนี่ยได้ออกมาบวชและเป็นพระอรหันต์ไปก่อนแล้วท่านเองเนะ่เป็นหัตถอาจารยรุ่นหลัง ลุงกเกษียณตัวเองไปบวชในพุทธสํานักกันแล้วก็บอกชื่อเสียงเรื่องนามไปด้วยนะม า, าตัวเองเติบโตขึ้นพอจะรับธรรมะได้อัจฉริยะใสก็น้อมเบ่งไปในทางเนคธรรมะคล้ายๆกับลุงเหมือนกันแล้วก็ได้เห็นยมกกปฏิหารของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงที่เมืองลาวทีนะครับก็เลยได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอราหารันต์ หลังจากทําวิปัสนาเ อ, อคนที่ทําให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์และสอนหลักวิปัสนาในระหว่างก่อนหน้าการบรรลุคือใ น, ในช่วงบรรลุเนี่ยคือลุงนั่นเองครับลุงเป็นคนสอนได้คนที่ฝึกช้างเวลาจะปฏิบัติทำฝึกตัวเองก็มักจะได้กติจากช้างเราอ่านคําพูดของท่านเนี่ยจะเห็นว่า ช้างที่ท่านได้เคยสอนเคยฝึกไว้นั้นมีคติธรรมหลายอย่างที่ท่านเอามาใช้กับตัวท่านเองต่อไปองค์ที่สองร้อยเจ็ดทันยาศธาตะทันยาธาตุนั้นเป็นเจ้ามัน ล, ละจากแว้นมัน ล, ละแก่นที่พระเจ้าเสด็จออกบวชนะครับก็จบการศรึกษาจากเมืองสักกศิลาแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นลูกศิษย์หรือเป็นเพื่อนติดต่อย่อยตาม สัพยะปริพาชกพระอรหันต์องค์ที่พูดมาแล้วสมัยที่ยังเป็นปริพาชกอยู่แล้วก็การตามไปครั้งสำคัญที่ที่ทำให้ท่านต้องกลายมาเป็นพระอรหันต์ก็คือเมื่อสัพยะไปเฝ้าพุทธเจ้าเพื่อถามปัญหาที่เทวดาแต่งให้แก้แต่งให้ไปถามพระพุทธเจ้าก็ทรงแก้ปัญหาทีนี้ยะสาทะตะที่ตามไปกับสัพยะปริพาชกเนี่ยไม่ได้ไปด้วยต ก็ไปด้วยพกมานาทิฏฐิไปเต็มที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพูดอะไรก็คอยจ้องจับปิดหาเรื่องที่จะยกวาทะอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าท่านท่านรู้พอท่านแสดงธรรมะโปรดสาเพียะจบแล้วเนี่ยท่านรู้ว่าลูกศิษย์มีนิสัยที่เป็นอนลฐานด้วยแต่เวลานี้เกิดมานะคอยจับปิดอยู่ท่านรู้ความคิดอยู่ก็เลยแสดงธรรมะจ้วง จาบเข้าไปสู่ความคิดนั้นจนกระทั่งทัญยศาตตานั้นยอมรับจากความคิดล่วงเกินก็เลยกลายมาเป็นความศรัท ธ, ธาและในที่สุดก็ขอบวชและบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในเวลาไม่ชะไม่นานนักนั้นท่านถึงบอกว่า พระภิกษุยาตสว่าคนมีปัญญาสามคิดจะยกโทษฟังคำสอนของท่านบุจนะมานย่อมเป็นผู้ไกลจากสัตยธรรมเหมือนฟ้ากับดินจกนกอันนี้เป็นเป็นคำสัตย์ตอนตอน้นต่อไปองค์ที่สองร้อยแปดองค์ที่สองร้อยแปดชื่อว่าโสนากุติกา น, นะในองค์นี้ชื่อเป็นที่รู้จัก ถึงบางคนยังไม่คุ้นหูนักก็ตามเป็นเอตททักฆะครับเอตักฆะด้านไหนเอตักฆะด้านเป็นผู้กล่าวถ้อยคายอําไพโรเรียกว่าเป็นอริยะเป็นพระรหลานปากหวานละ่ะพูดอย่างจำนวนชาวบ้านเดี๋ยวนี้ อ, อชื่อว่าโสนกุติกันนะเนี่ยแปลว่าอะไรที่เราเคยได้ยินนะโสนาเป็นชื่อตัวกุติกันนะกันนาแปลว่าหูกุติมาจากคําว่าโกติ แปลว่าโกดคือราคาของต่างหูกันนาะคือต่างหูกุติกันนะคือโกติกันนาะ mm. ก็ได้ความว่าท่านโสนะเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีชาวแคว้นอวันเนื่องจากก็เป็นลูกคนร่ำรวยพ่อแม่ก็ทำต่างหูชนิดราคาแพงเป็นเรือนโกดประดับหูให้ เหมือนมัตะกุณเดลีมัทธกุณเดลีนั่นต้องหมูเกลียงไม่ได้พูดในแง่มูลค่าท่านตัวนี้พูดในแง่มูลค่าก็ชีวิตเบื้องต้นนั้นมีความสุขอะจะเดินเติบโตขึ้นก็รวบรวมทรัพย์สินสะสมทรัพย์สินาปกครองทรัพย์สินอย่างดีนะทําบุญเส้นทางตามสมควรแล้วก็เอหตุที่มาบวชเนเพราะว่าไปฟังธรรมของพระเถร ะ, ะ, ะองค์สําคัญองค์หนึ่ง ที่ชื่อว่าท่านมาหาการเจนะเมื่อได้ไปฟังธรรมของท่านก็ในเบื้องต้นนั้นก็ตั้งอยู่ในไตจสาณาคมอุปตากท่านโดยปัจจัยสี่อ่าด้วยดีเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงคราวหนึ่งที่ศรัทธาแรงความสังเวชหลุมเล่าท่านจึงตัดสินใจบวชก็ไปบวชดอย่กับท่านก็ไม่ได้บวชกับพพุทธเจ้านะเพราะว่า แนาวันตีตอนนั้นถือว่าไกลจากศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่แควนเมืองสาวัตถีกับเมืองมคตและเมื่อได้ไปบวชกับท่านมหากัจจายนะแล้วก็ได้ขออนุญาตอาจารย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีเมื่อไปเฝ้าพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีก็คือที่ทพระเจตวันนะะ แล้วผู้เมียภาคได้ทรงขอเรียกว่าบอกให้พระนนท์จัดสถานที่ให้ท่านโสนาคุติกนนะอยู่ด้วยอยู่ร่วมกุติด้วยแล้วก็ได้สนทนาทำอะไรต่ๆกันจนึนในรุ่งเช้าวันหนึ่งเนี่ยท่านโสนาคุติกนนะลุกขึ้นสวดสาธยายธรรมะที่ได้ฟังมาจากอาจารย์ภริยาฟังแล้วก็ส่งอนุโมทนายินดีแล้วก็ ท่านโสนาคุติกานาเนี่ยมาเป็นพระอาหารหันต์กับพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีไม่ได้เป็นมาจากจานนะพระพุทธเจ้ามาทรงแสดงธรรมให้ที่นี่จึงนําเอาไปปฏิบัติและได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์อย่างง่ายๆในที่นั้นเองเอ อ, อีกองคหนึ่งครับสุดท้ายนะสําหรับวันนี้องค์ที่ หนึ่งอ่าสองรอยเก้านะองค์นี้สองร้อยเก้าพระองค์นี้ชื่อว่าโกริยะท่านโกริยะเราไม่เคยได้ยินชื่อท่านนะครับเป็นชื่อที่เรียกด้วยอำนาจโคตรโกริยโคตรเกิดในตระกูลพรามที่มาบวชเนี่ยเพราะว่าตอนเป็นเด็กหนุ่มๆเนี่ยก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาพระสารีบุตรนะ่ะไปฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆกทหาค่อยๆก่ อ, อ, อตัวขึ้นจนกระทั่ง บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระหลันไม่นานนะประวัติท่านก็ไม่มีความพิสดารอะไรมากแต่ตรงนี้เราเห็นว่าคนบางคนเนี่ยศรัทธาก็ค่อ ย, อ ย, อยจเจริญทีละนิดทีละนิดแล้วก็ให้นึกว่าการที่คบกับคนเด็กหนุ่มๆเด็กาสาวอย่างสมัยก่อนหรือสมัยไหนก็ตามถ้าได้คบหรือได้เห็น พระอาหารหันต์พระที่มีอาจารยระดีๆถึงสูงเนี่ยมีผลต่อการโน้มน้าวสูงมากสมัยก่อนเนี่ยคนได้มาบวชเพราะอย่างนี้เยอะไม่รู้เท่าไรต่เท่าไร่แหละหล แ, ลแม้เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันผมเองยังนึกว่ า, า, าผมเนี่ยเป็นคนที่คุกนครีกับวงการศาสนาในวงการคารวาะไม่ได้คุกครีกับพระยังนึกว่าถ้าผมไปคุกครีกับพระ เอ่อเชียงเกีนปลาส า, ายจะพ่าอาจจะบวชไปตั้งนานแล้วก็ได้นะนี่เลยไม่มีเหตุจูงใจหวานล้อมก็เลยอยู่เรื่อยเปื่อยมาจนทุกวันนี้รอให้เจอล่าหลานก่อนขอแถมอีกองค์แล้วกันให้ให้ได้สองร้อยสิบองไปแล้วองนี้เราได้พูดถึงท่านมาบ่อยๆแล้วนะฮะท่านอุรุเวรักสะปะเป็นเนตัทธกะเรื่องบริวารมากครับ เลิศทางบริวารมากอ่าก็เป็นเป็นชาวชาวเมืองพระรนสีอตรงนี้น่ะเกิดในสกุลพราหมณ์ชาวเมืองพา ร, ารงนะรนสลลาราีคือบางบางทีก็บอกว่าชาวเมืองมคตบางทีก็บอกชาวเมืองพาะราีเนี่ยนนก็สถานิฐานเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเมืองพาระรนสีเนี่ยเป็นเมืองขึ้น ของแคว้นมคตถือว่าอยู่ในแคว้นมคตปกครองโดยพระเจ้าบิมมิสารอย่างแคว้นอังคาเขาปกครองโดยพระเจ้าบิมมิสารอาจจะมีกษัตริย์เมืองเล็กถึงเป็นกษัตริย์เมืองรองไม่ใช่เป็นกษัตริย์สูงสุดที่มีอำ น, นาจสูงสุดเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคตแล้วก็ตอนหลังได้กลายมาเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศลปัดไปปัดมาระหว่างสองเมืองมนหนาอำนาจเนี่ย เรื่องราวเล่าพิศดานเราผันไปผันมายยังไงเพราะนั้นเมืองพาราณสีเป็นเมืองการค้าเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเมืองการศึกษาเมืองนักบวชเมืองนักปราชญ์แต่ว่าไม่ใช่เป็นเมืองที่มีอำนาจทางการเมืองการปกครองเหมือนอย่างสองเมืองนั้นเพราะฉะนั้นพวกอุลุพวกชาดินเนี่ยก็เป็นเป็นชาวเมืองพาราณสีแน่ ที่อยู่ภายใต้ปกครองของแคว้นมคตหรือแคว้นโกศลในช่วงนั้นปัดกันแล้วก็เกิดในะกุลพราหมณ์แล้วก็ออกมาบวชอย่างที่เราได้รู้ประวัติของท่านแล้วแล้วก็เป็นอาหารหันต์พร้อมๆ ก, กันกับบริวารของตัวไม่ได้ก่อนได้หลัง เ, เหมือนอย่างพระสาริบุตรกับบริวารของท่านพระโมคคัลลานะ บ, บริวารของท่านคือบางทีเนี่ยหัวหน้าบรรลุก่อนบริวารบรรลุทีหลังบางที บริวารบรรลุก่อนหน้าบรรลุดีหลังบางทีบรรลุพร้อมกัอ น, ก อ, น, ก อ, น, ก อ, นอย่างนี้ก็มีเอาแน่ไม่ได้ถึงแต่ละอย่างแตย่ยานั้นมีเหตุในทางอธิบายนี่เราก็เกือบจะจะจบแล้วนะฮะจะมีบทสรุปสรุปแง่มุมต่างๆกันอีกทีนี่เราก็วางเว้นการแจกเอกสารมานานก็สบายเลยเอกสารน่อย ก็เล่าซะเป็นเรื่องปากเปล่าซะมากก็จะจะสรุปเข้าใจว่าอาจจะเป็นอาทิตย์นู้ดถัดไปนู่นนะแล้วว่าข้าวหน้าอาจจะมีเอกสารสรุปมาให้แล้วส่วนหนึงก่อนแล้วก็อธิบายสรุปเป็นเชิงหลักวิชาในแง่ต่างๆจะทําให้เราเห็นมิติต่างๆเหล่านี้ชัดเจนเป็นกลุ่มเป็ก้อนมากขึ้นก็พบกันใ น, นวันเสาร์หน้า ครวที่แล้วหยุดไปบางหลายคนมาเกอท่าขอโทษ ด, ดวนเป็นเรื่องปัจจุบันท่านด่วนเพราะว่าคุณจเจลิมภูษาทองที่เป็นผู้ดูแลที่นี่ท่านด่วนเสียชีวิตไปวันเสาวนุ้นคุยๆอยู่ตรงนี้เพราะลุงคนวันที่นั่นก็เสียชีวิตไปก็เลยไม่มีใครอยู่เลยผมก็ไป